มือกลองเมื่อเนิ่นนานมาแล้วใกล้ใกกับทะเลสาบที่ห่างไกลยังมีมือกลองคนหนึ่งกําลังเพลิดเพลินกับการชมดาวเมื่อเขามาถึงชายฝั่งใกล้ๆ ก, กับทะเลสาบเขาพบกับเศษผ้าลินินสองสาชิ้นเมื่อเขาไม่เห็นใครอยู่แถวนั้นเขาจึงหยิบผ้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นและใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาคิดว่ามันคงจะทําให้หมอนของเขานุ่มขึ้น คืนนั้นในขณะที่เขากำลังหลับในกระทร่อมเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นโอ้ใครมากันเอาเวลาแบบนี้เจ้าเป็นใครอะมีอะไรให้ช่วยเหรอเดึกเดินปั น, นี้ข้าคือเจ้าหญิงและตกอยู่ในคำสาปของแม่มดแม่มดขังข้าไว้บนยอดเขาแก้วข้ามาที่นี่เพื่อดำน้ำในทะเลสาบ และหากไม่มีเศษผ้าลินินที่เจ้าเอามาข้าก็บินกลับไม่ได้โอ้โทษทีคือเออข้าหยิบมันมาเพราะตอนนั้นไม่เห็นใครนะ่ะข้าขอมันคืนได้ไหมแน่นอนแต่ท่านดูสิ้นหวังนะมีอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้ไหม ถ้าหากว่าเจ้าอยากช่วยข้าจริงๆเจ้าต้องไปที่ภูเขาแก้วเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นคำสาบก็จะสลายไปที่เหลือข้าจัดการได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะไปภูเขาแก้วได้อาถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะบอกข้ามาสิว่าภูเขาแก้วน่ะอยู่ที่ไหนกันเจ้าหญิงภูเขาแก้วอยู่ห่างที่นี่เป็นพันไมล์ อยู่เหนือป่าแห่งความมืดที่เต็มไปด้วยยักษ์ข้าต้องไปแล้วข้าคงบอกเจ้าได้เท่านี้มือกลองเป็นชายผู้กล้าหาญและไม่เกรงกลัวสิ่งใดดังนั้นเขาจึงมุ่งหน้าไปยังป่าแห่งความมืดเมื่อเขามาถึงเขาได้ลั่นกลองดังไปทั่วป่าจนป่าทั้งหมดสั่นสะเทือนไปกับเสียงของมันพวกยักษ์ ได้ยินเสียงน่ารำคาญนี้ใครบังอาจมาทำลายปาทีจะงบสุขของพวกเราเนี่ยข้าเองข้ามือกลองฉมังออกมาประเชิญหน้ากับข้าซิถ้าเจ้าไม่กลัวตายเจ้ามนุษย์ตัวกระจอยไม่กลัวพวกเราอย่างนั้นเหรอข้าอาจจะกลัวเจ้าถ้าข้าอยู่คนเดียวแต่ด้วยกลองนี้เพื่อนเพี่อของข้าคงรู้แล้วว่า ้าพบเจแล้วแล้วมนุษย์ตัวเล็กๆแบบเจ้าจะทำอะไรยักษ์แบบพวกข้าได้พวกเราจะบทขยี้พวกเจ้านับพันด้วยเท้าของพวกเราเองอย่าประมาทพวกเราไปมนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นนักคิดพวกเราจะซ่อนตามต้นไม้ในป่าแห่งนี้และถ้าหากพวกเจ้าพยายามจะทำร้ายพวกเราพวกเจ้าจะต้องทำลายป่าของพวกเจ้าไปด้วยและเมื่อพวกเจ้าเหนื่อยละ แล้วไม่เหลือปลาอีกแล้วพวกเราก็จะโจมตีพวกเจ้าด้วยไฟเจ้าคิดว่ามนุษย์จอธนพวกเราได้จริงเหรอถ้าหากว่าพวกเขาทำไม่ได้จริงพวกเขาคงไม่ส่งมนุษย์มาเจอพวกเราคนเดียวจริงไหมแล้วพวกเราต้องทำยังไงอะแค่อย่างเดียวที่ต้องทำแล้วข้าจะบอกให้คนของข้านะกลับไปซักและปล่อยให้พวกเจ้าอยู่อย่างสงบ แต่เจ้าต้องทำอะไรให้ข้าอย่างหนึง่งเจ้าบอกพวกข้ามาได้เลยแค่อย่าใช้ไฟกับพวกเราก็ดีงั้นพวกเจ้าต้องช่วยพาข้าไปยังยอดภูเขาแก้วโอ้ได้พวกเราจะพาเจ้าไปทันทีเลยอะไรบอกให้คนของเจ้าออกไปได้แน่นอน ดังนั้นมือกลองจึงตีกลองของเขาอีกครั้งและพวกยักษ์ได้คิดว่านั่นคือการบอกให้คนของเขากลับไปยักษ์วางมือกลองไว้บนฝ่ามือของเขาและส่งต่อเขาเวยังฝ่ามือของยักษ์ตัวอื่นไปเรื่อยๆฝ่ามือของยักษ์แต่และตัวยื่นออกไปเป็นมายในไม่ช้ามือกลองก็มาถึงยอดของภูเขาแก้วขอบคุณมากนะเจ้ายักษ์ ไม่เป็นไรแค่บอกให้คนของเจ้าย่ามายุ่งกับพวกเรานะไม่ต้องกังวลพวกเราเนะ่จะไม่ยุ่งกับพวกเจ้าอีกแล้วพวกยักษ์จากไปอย่างโล่งใจเมือม่อมือกลองไปถึงยอดเขาเขาไม่พบใครเลยนอกจากกระท่มเล็กๆหลังหนึ่งเขาเ้าไปที่ประตูสามครั้งและแม่มดคนหนึ่งได้เปิดประตูออกมา เจ้ามาถึงที่ยอดเขาแก้วนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมาถึงที่นี่เป็นไปไม่ได้กับแค่คนที่ไม่ลองทำก่อนนักท่องเที่ยวขออาหารและที่พักที่นี่หน่อยได้ไหมได้แต่ว่าเจ้าจะต้องทํางานให้ข้าก่อนเป็นเวลาทั้งหมดสองวันอะไรก็ได้ที่ท่านขอมางั้นเจ้าก็ไปที่บ่อน้ำ และเจ้าก็เอาน้ำทั้งหมดในบ่อใส่ลงไปในตระก้านี้เจ้าจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่ดาวดวงแรกจะขึ้นในตอนกลางคืนยกเว้นว่าเจ้าจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แค่กับคนที่ไม่ลองทำก่อนละต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้แม่มดต้องขอให้ทำงานแปลกๆนี้ด้วยไม่อย่างนั้น แม่มดกงจะฆ่าข้าไปแล้วบางทีมันอาจจะมีวิธีที่ทำให้บ่อน้ำว่างเปล่าดังนั้นมือกลองถึงไปที่บ่อน้ำพร้อมกับตะ ก, ก้าและเริ่มตักน้ำในบ่อออกแต่เขาก็ตักน้ำออกไปได้ครั้งละไม่กี่หยดและเขาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้บ่อน้ำว่างเปล่าในเวลาแค่นี้เมื่อถึงตอนบ่ายเขาก็เริ่มเหนื่อยไม่นานเจ้าหญิงก็ออกมาจากบ้านพร้อมกับตะก้าอาหาร เธอคุยกับเขาในขณะที่เขากินไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะใช้เวทมนตร์ทำให้บ่อ น, น้ำว่างเปล่าเองเจ้าไปพักต่อเถอะเจ้าญิงมุนแหวนด้วยนิ้วของเธอและบ่อ น, น้ำก็แห้งลงทันทีเมื่อแม่มดมาตรวจบ่อ น, น้ำในตอนกลางคืนเธอก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเจ้าทำได้อย่างไงกันที่มันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้กับแค่คนที่ไม่ลองทำก่อนนะก็ดีถ้างั้นข้ามีอีกงานให้เจ้าทำพรุ่งนี้เจ้าจะต้องทำช่อดอกไม้พันช่อที่มีดอกไม้หนึ่งดอกในป่าก่อนที่ดาวดวงแรกจะขึ้นในตอนกลางคืนเมื่อกลองเข้าไปในป่าและมองหาดอกไม้แต่เขาไม่พบมันเลยสักดอกจนถึงตอนบ่ายเขาเริ่มเหนื่อยล้า เจ้าหญิงได้เข้ามาหาเขาพร้อมกับตะ ก, ก้าอาหารอีกครั้งเธอพูดกับเขาในขณะที่เขากำลังกินอยู่ไม่ต้องห่วงนะข้าจะใช้เวทมนตร์ทำช่อดอกไม้ให้เจ้าเจ้าไปนอนพักก่อนเถอะเจ้าหญิงหมุนไปที่แหวนบนนิ้วของเธอและช่อดอกไม้ที่มีดอกไม้หนึ่งดอกพันช่อก็ได้ปรากฏขึ้นในทันทีเมื่อแม่มดมาดูในตอนกลางคืนเธอประหลาดใจอย่างมาก าทำได้ยังไงที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แค่กับคนที่ไม่ยอมลองทำก่อนทันทีที่แม่มดได้ยินแบบนี้เธอก็สลายตัวไปในทันทีข้าเป็นอิสระแล้วเจ้าช่วยข้าไว้มือกลองข้าทำอะไรอย่างนั้นเหรอคำสาปของแม่มดจะถูกทำลายถ้าหากว่ามีคนทำสามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อช่วยเหลือข้าสิ่งแรก เจ้าจะต้องมาที่นี่นั่นก็คือตอนที่เจ้ามาถึงยอดเขาแห่งนี้และแม่มดคิดว่านั่นคงเป็นไปไม่ได้นางจึงเสียพลังของนางบางส่วนให้กับข้าและส่วนที่เหลือก็ตอนที่เจ้าตอบตกลงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นางมอบให้ตอนนั้นนางหยุดพลังของแหวนข้าไม่ได้อีกต่อไปเจ้าหญิงข้ารู้นะว่าข้าเป็นแค่มือกองแต่ท่านคิดว่าท่านจะเอเ อ, เอท่าน จะชอบข้าได้ไหมเจ้าเป็นชายที่กล้าหาญและสิ่งอันตรายเพื่อมาช่วยคนแปลกหน้าไม่ใช่ว่าข้าไม่ชอบเจ้านะมือกลองข้านะ่เคารพเจ้าและใช่ข้าก็รักเจ้าเหมือนกันท่านจะใช้ชีวิตร่วมกับข้าได้ไหมตกลงแต่พวกเราต้องไปจากที่นี่ก่อนไปที่กระท่อมและเอาสมบัติของแม่มดกันเถอะ ดังนั้นมือกลองจึงเข้าไปในกระท่อมและพบว่าในนั้นเต็มไปด้วยทองคําเพชรพลอยและอัญมณีมีค่ามากมายเขาเก็บพวกมันจนเต็มถุงเจ้าหญิงเลือกของมาสองสิ่งแหวนมรกรที่งดงามและสร้อยคอที่ทําจากทับทิมกับทองคําจากนั้นพวกเขาก็ออกไปเจ้าหญิงมุนแหวนของเธอและทันใดนั้นเธอและมือกลองก็มาถึงประตูพระราชวังของเจ้าหญิง ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปมือกลองได้หยุดเธอข้าอยากไปหาพ่อกับแม่ของข้าก่อนกลับไปบอกพวกท่านว่าข้าสบายดีได้สิแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะไม่จูกพวกเขาถ้าหากว่าเจ้าทำเจ้าจะจำข้าไม่ได้อีกข้าจะลืมเจ้ได้อย่างไรเล่าที่รักแล้วข้าจะรีบกลับมานะดังนั้นมือกลองจึงกลับไปหาพ่อและแม่ของเขาพวกเขาดีใจมากและเลี้ยงฉลองกัน ด้วยความรักทําให้เขาลืมสัญญากับเจ้าหญิงเขาจูบทั้งพ่อและแม่ของเขาความทรงจําทั้งหมดของเจ้าหญิงได้หายไปจากเขาด้วยสมบัติที่เขาได้มาพวกเขาจึงสร้างคฤหานหลังใหญ่ลูกสาวของคุณนางถูกเลือกให้แต่งงานกับเขาเจ้าหญิงยังคงรอเขาอยู่ที่ประตูของพระราชวังแต่มือกลองก็ไม่ได้กลับมาเธอจึงตรหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอออกไปตามหาเขาและได้ยินเรื่องงานแต่งของเขา ในไม่ช้าเธอปลอมตัวเป็นสาวใช้ที่เดินเข้าออกเครือหาดและไม่นานเธอก็พบกับคนที่จะเป็นเจ้าสาวโอ้ขอโทษค่ะท่านหญิงว้าวขอดูแหวนนั่นหน่อยสิโอ้มันสวยมากเลยข้าไม่เคยเห็นแหวนวงไหนสวยเท่านี้มา ก, ก่อนค่าขอบคุณเจ้าขายให้ข้าได้ไหม โอ้ไม่ได้ค่ะข้าจะยอมจ่ายให้เจ้าทุกอย่างเลยนะแต่ว่าข้าต้องได้มันให้ได้ข้าจะใส่มันในงานแต่งงานของข้าก็ได้ค่ะท่านจะได้มันแต่ว่าท่านต้องยอมให้ข้าอยู่ตามลำพังกับคู่มั่นของท่านแค่เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในตอนที่ดาวดวงแรกออกมาในตอนกลางคืนเจ้าสาวต้องการแหวนเป็นอย่างมาก เธอมองและตอบตกลงในคืนนั้นเธอได้ผสมยานอนหลับลงไปในน้ำของมือกลองเมื่อเจ้าหญิงได้ไปพบเขามือกลองได้หลับไปและไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูของเธอปิดประตูให้ข้านะมือกลองที่รักเจ้าจําข้าไม่ได้เหรอเพียงมองมาที่แหวนเมทดมอนของข้าแว บ, บเดียวเจ้าก็จะจำภูเขาแก้วแม่มดและทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้โปรดปิดประตูเธอ เจ้าหญิงร้องไห้วิงบอนอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ว่ามือกลองก็ยังคงหลับอยู่วันรุ่งขึ้นเธอกลับมาที่คฤหาดโออขอเทอดท่านหญิงโอ้ข้าขอดูสร้อยของเจ้าหน่อยสิว้าวมันสวยมากเลยข้าไม่เคยเห็นสร้อยที่สวยเท่านี้มาก่อนในชีวิตของข้า ขอบคุณค่ะเจ้าขายให้ข้าได้ไหมเ อ, อ่อไม่ได้ค่ะข้าจะยอมใจ่ายให้เจ้าทุกอย่างเลยแต่ว่าข้าต้องได้มันนะข้าจะใส่มันในงานแต่งงานของข้านะ่ะก็ได้ค่ะท่านจะได้ใส่มันแต่ว่าท่านต้องยอมให้ข้าอยู่ตามลำพังกับคู่มั่นของท่านแค่ไม่กี่นาทีในตอนที่ดาวดวงแรกออกมาในตอนกลางคืน เจ้าสาวต้องการส้อยคอเป็นอย่างมากเธอมองและตอบตกลงในคืนนั้นเธอได้ผสมยา น, นอนหลับลงไปในน้ำของมือกลองเพื่อที่เขาจะได้หลับเมื่อเจ้าหญิงมาขอที่ประตูแต่ครั้งนี้พ่อและแม่ของมือกลองได้ยินเสียงร้องของเจ้าหญิงในคืนก่อนได้บอกทุกอย่างให้กับเขาฟังมือกลองตระหนักได้ว่าวิธีเดียวที่จะทาให้เขาน อ, นอนหลับได้ เป็นเพราะมีบางอย่างใส่ลงไปในน้าของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ดื่มอะไรเลยและนั่งรอเจ้าหญิงไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงข้อประตูเปิดประตูให้ข้านะมือกลองที่รักจาข้าไม่ได้เหรอเพีมองวันที่แบวนเว้นมือของข้าแบบเดียวเจ้าก็จะจำภูเขาแก้วแม่โมดและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้โปรดเปิดประตูให้ข้ามือกลองเปิดประตูออก เจ้าหญิงแสดงแหวนเม็มตนให้เขาดูและแน่นอนเขาจาทั้งหมดได้ในทันทีเจ้าหญิงที่รักของข้ า, ข, า ข, ข้าขอโทษจริงจริงข้าขอโทษข้าลืมเจ้าได้อย่างไงกันนะมากับข้านะมือกลองพาเจ้าหญิงไปพบพ่อแม่ของเขาและเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังท่านแม่ท่านพ่อนี่คือคนรักของข้าข้าจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้น ก็ได้ข้าคงแต่งงานกับคนที่เป็นแค่มือกลองไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าข้าคงไม่คืนแหวนกับส้อยขอให้หลกนะเจ้า อ, องค์มันไปเถอะข้าได้พบสมบัติที่แท้จริงของข้าแล้วดังนั้นมือกลองและเจ้าหญิงจึงแต่งงานกันและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิดนิรันจบบริบูรณ์